มาถึงที่แล้วมาถึงวัดท่หมเสนมาถึงสำนักสุบาจามาถึงด้วยกันแล้วท้งนั้นต่อไปนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องขวัญขวายเอาของใสของมันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำเองทั้งหมดก็มีหลายๆอย่าง ที่เราจะต้องทำเองใครช่วยไม่ได้อย่างเชินหายใจหายใจกินข้าวนอนพักผ่อนต่างๆเราเนี่ยเราต้องทำเองมีหลายอย่างอยู่ที่เราต้องทำเองการหาคุณงามความดีใส่ตัวใส่จิตใส่ใจนี่ก็าเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ที่เราจะต้องทำเองทังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำทานทำทานก็ต้องทำเองคือหมายความว่าจิตใจเราจะต้องน้อมไปเองน้อมไปเพื่อการเป็นเพื่อการให้ทานถ้าเราให้โดยไม่ได้มีจิตใจน้อมไปด้วยนั้นมันได้ผลนิดเดียว ถึงจะเป็นสิ่งที่ให้เนี่ยจะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มี ร, ราคาเท่าไหร่แต่มันก็ได้ผลนิดเดียวเท่านั้นคือผลที่ได้เนี่ยมันเกิดที่ใจใจของเรานนเนี่ยถ้าเราน้อมใจน้อมจิดน้อมใจไปด้วยมันจะรู้สึกปลาบรื่มยินดีเกิดความดีใจเบิกบานใจนั่นหละมันได้มันได้ตรงนั้น ที่ถ้าผู้ที่ให้ทานไปด้วยทัพสินกปดีเงินทองกฏิหอะไรมากๆที่เป็นราคาสูงจะให้ไปแบบกจำใจให้หรือให้อย่างเสียไม่ได้โดยจิตใจไม่ได้มีความยินดีด้วยทักเท่าไหรเลยก็จิตใจก็มีความรู้สึกว่าเบิกบานนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมีน้ำทั้บางคนไม่เบิกบานด้วยมีความเสีดงเสียดาย รู้สึกว่าศูนย์เสียอีกด้วยมีเหมือนกันบางคนที่จำเป็นต้องให้ทานเพราะว่าหมู่คณะ้องให้สังคมเขาให้เขาทำทานกันแล้วเราอยู่ในสังคมถ้าไม่ทำเมื่อเดี๋ยวก็จะเกงหมู่เพื่อนเกงสังคมเขาจะเพ่งเลงเอาก็าเลยจำใจต้องให้ถึงโนจะร่ำรวยเท่าไรร่ำรวยเท่าไหร่ แต่ว่าก็ยังต้องจาเป็นต้องจ่ายต้องเสียไปต้องให้ทานหรือต้องให้รู้สึกว่าสูญเสียไม่สบายใจอย่างนั้นละยิ่งยิ่งไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ยิ่งขาดทุนเลยขาดทุนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเองคาว่าทานนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเราจะเอาไปมอบด้วยตนเองด้วยมือเองอย่างนั้นเท่านั้นนะไม่ใช่เท่านั้นหรอก อาจจะให้ลูกเจ้าหลานแลี้ยงี่น้อมเพื่อนคุ้มเอาไปมอบให้แต่ว่าจิตใจเราเป็นผู้น้อมเป็นทรัพย์สินสิ่งของเงินทองเราเป็นผู้น้อมให้อันนี้เป็นการให้ทานหลวงปูท่านเทศเดียนะว่าจาคคือเสียสละอันนั้นยิ่งต้องน้อมจิตน้อมใจไปเป็นการให้เหมือนกันเสียสละจาคะให้ ให้อันนี้ไม่ได้เอาสิ่งของไปก็จกัดฆาได้อย่างเช่นเสียสละความนึกอยากจะเอาอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยที่มันจะไปเบียดเบียนหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าเราเสียสละให้หมูให้เพื่อนเจ๊สิธิ์อันนี้อย่างนี้เนะี่ยสิทธอันนี้เราจะสมควรจะได้รับแต่เราเสียสละให้เขาให้เขามีโอกาสเจ๊อยู่เนี้เลี่ยว่เสียสละความโกรธ ความเจ็ดแคนความเก็บใจเสียใจเราเสียสละออกไปเสียซ่งความเก็บแคนอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเสียสละนี่เอาใจทั้งนั้นนะ่ะเอาใจเสียสละคือต้องทําเองใจเนี่ยใครจะมาใครจะมารู้กับเราเราคนมีแต่เรานั่นแหละรู้เรื่องใจใจเราเสียสละใจเราน้อมไปที่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองสีตก็เหมือนกันสีนนั่นน่ะถ้าเปืือเรารักษาเรารักษาจิตเราจะต้องน้อมใจของเราไปน้อมจิตใจไปเพื่อจะให้เป็นการว่าได้ระมัดระวังเลิกไม่คิดที่จะเบียดเบียนศีลคือข้อปฏิบัติที่เราน้อมจิตน้อมใจไปเพื่อจะให้ตนเองไม่คิดที่จะเบียดเบียนเขา ไม่เบียเดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาแม้กระทั่งด้วยจิตใจก็ไม่เบียเดเบียนยี่ต้องเอาใจน้อมไปใจของเราไม่มีใครมาเห็นกับ เ, เราไรมีแต่เราเนหละต้องน้อมไปเองที่นี่มาถึงวัด น, นี้มาเพื่ยมาอยู่นี่แล้วให้ถือว่าพวกเรามาถึงสถานที่ที่มันมีความดีมากความดีต่างๆพร้อมที่จะให้เราปรอบโกยเอาปูดเอาคุ้ยเอา เก็บเอาหยิบเอาช่วยเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นสวยชิ้นงามมีมากมีเยอะแยะจะให้เราขุดเราชวยเอามีแต่เม็ดเจียให ญ, ใหญ่ถ้าเป็นเทียกบกับเป็นเพชรเป็นรอยเนี่ยมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆน้า ง, งามๆทั้งนั้นแหละคืออะไรคือภาวนาที่เรามาเนี่ยทุกคนน่นแหละมีโอกาสที่จะหยิบจะสวยเอาสิ่งดีๆที่สุด ในชีวิตของแต่ะละคนได้ในที่นี่แหละทุกคนมาเนี่ยเอาสิ่งที่เจ้าของที่ตนเองจะหานะมาด้วยเราจะหาอะไระหาสมาธิหาจิตหาใจหาสติหาสมบัตชัญญยากเราเอามาด้วยแต่เราหาไม่เป็นความจริงมันมีอยู่มามาด้วยกันนะนะั่นแหละเอากายมาใจมันก็เลยมาด้วยกัน ทีนี้เมื่อเรากลายมาแล้วเรารู้จักว่ากลายมาแล้วเนี่ยใจมันอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีไปให้มันมาด้วยกันถ้ามาด้วยกันแล้วมันจะหาได้ของดีๆเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราจะหาคืออยู่ในใจอย่าให้มันหนีไปถ้ามันหนีไปเสียก่อนแล้วมันหาไม่เจอ เ, เราเอาไปหาที่อื่นมันหาไม่เจอต้องเอามานี่มักเตงนี่ละ ทำมาเห็นมาเปี้งแล้วมาหาหาโดยวิธีของหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะพาหาหาอย่างไรหาจิตอย่างไงหาใจอย่างไงท่านจะพาหาที่นีการหาเนี่ยก็หาในใจตนเองนั่นแหละาะฉะนั้นเราอย่าเอาใจหนีไปไหนนะเอาใจไว้นี่ละใจไว้กับตัวเราก็มากันแล้วเนี่ยมาทั้ตัวมามาหมดแล้วใจก็เอามากายก็เอามา แล้วสิ่งที่จะใช่สิ่งที่จะหามันก็นคืออยู่ในใจอย่าหนี้ใจอย่างนี้เอาใจไว้กับเนื้อกับตัวถ้าภาษาภาษาชาวบ้านเราเราบอกว่าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นลองคิดดูสิคำนี้มันพูดง่ายๆหรอกแต่มันเป็นคําที่ลึกซึ้งอยู่นะเนื้อตัวนี่คือร่างกายเนี่ย ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างคนกลัวผีเนี่ยกลัวผีหรือตกอกตกใจนะถ้าจะบอกตกใจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือใจมันกระเด็นไปมันพุ่งมันกระจัดกระจายไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่นี่การที่เรามาอยู่ที่นี่นเอาใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านจะบอกวิธีให้จะบอกวิธีว่าทาสมาธิ ทำสมาธินี่มันเมื่อเป็นแล้วหรือมันจะเราจะทำเนี่ยเราจะทำที่ใจนะไม่ใช่ที่แขนที่ขาที่ข้นที่หลังที่เอวอะไรนะเราจะทำที่ใจเนี่ยถ้าใจมันลักหนีแล้วเราจะไปทำที่ไหนกันเราเนี่ยรักษาไว้รักษาใจไว้เนี่ยเมื่อท่านบอกว่ากาหนดจิตนะกาหนดใจนะ่อยเนี่ยมันก็จะมีที่กำหนดนรักษาไว้ก่อน รักษาใจไว้แล้วก็ไม่มีใครจะไปช่วยสอนช่วยอะไรมาได้ใจเนี่ยต้องเป็นเราเนั่ยแหละเราคนเดียวนั่นแหละก็มันของเราเนี่ยมันมากากเราเนี่ยแล้วก็พยายามรักษาไว้ใ น, น, นท่านจะบอกว่าจะทําสมาธิต้องทอําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านจะบอกพุโทโธท่านจะบอกตั้งสติกําหนดจิตนแล้วก็ทําทันทีเพราะเรามีอยู่แล้ว ใจเราไม่ได้หนีไปไหนเราอยู่ตรงนี้ก็กําหนดตรงนี้เลยตั้งสติกําหนดจิตตั้งกําหนดพุทโธคังกําหนดลมหายใจบ้างคือท่านจะบอกว่าอย่าให้มันไปคิดหลายเรื่องให้มันคิดเรื่องเดียวให้มันคิดเรื่องพุโทโภคให้มันคิดเรื่องลมหายใจอันนั้นอันหนึ่งเราก็เอาทันทีเลยเอาใจอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าไปไหนนะเอาอยู่กับพุโทโภนะเอาอยู่กับลมหายใจนะอย่างไหนอย่างหนึ่งนะ ก็จับทันทีเลยถ้าเราปล่อยมันไปที่อื่นไปแล้วมันจะไปเอาไหนมาจับอย่างสมมติว่าท่านบอกว่าทำอย่างนี้นะสมมติว่าจะจับหมาตัวหนึง่งเอา้าสมมติว่าหมามาโดยเราเนี่ยเรากะวิธีจะฝึกหมานั่นอะ่ะจะต้องเอาบ่วงมาก่อนนี่ทำบ่วงอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็มีเชือกนะล้วก็ทำมันลงกู แล้วเอาไปคล้องคอมันผูกมันไว้ก่อนเนี่ยเพราะเราจะทำอย่างนั้นอนะ่ะเอาเชือกมาทาบวกแล้วเป็นคล้องที่ไหนเราหมาไ ม, ม่อยู่ฮะเราต้องรักษาไว้เนี่ยเหมือนกันนั่นแหละใจเรารักษาไปนี่เมื่อเวลาท่านบอกกําหนดตีกกำหนดใจมุก็กําหนดได้ทันทีไม่มีใครไปช่วยรักษาให้เพราะว่าทุกคนมาแต่รักษาของตัวของตัว ทุกคนนี้ไม่ต้องส่งใจไปนะไม่ต้องผวาองสงสัยหรือไม่ต้องไปกังวลคนอื่นครับกังวลแต่ตัวเองแค้นะ่ะคนอื่นให้เขาอยู่ของเขาจะให้เขาภาวนาของเขาให้เขากำหนดของเขาเราไม่ต้องไปดูคนนั่นทำันนี้ไหนทำปุ๊บทางเขาจะนั่นแล้วเราก็ทำของเรากำหนดจิตกำหนดใจของเราหลวงปู่ทั้งเทศมามันมีแต่เรื่องที่จะให้เราจิตใจสงบทางนั้นแหละเพราะว่า เมื่อจิตใจสงบแล้วสิ่งที่จะได้มานั่นมันหลายอย่างนะในจิตสงบเนี่ย น, นะสติก็มีธรรมปชัญญาก็มีสมาธิก็มีนั่นมันครบเครื่องเข้าไปแล้วนะ่ะมันครบเครื่องเข้าไปแล้วเรื่องมันจะดีมันครบอยู่ในนั้นแล้วนีเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสขออย่างเดียวว่าพยายามรักษาวให้มันครบเครื่องไว้ เนื้อตัวก็อยู่นี่จิตใจก็อยู่นี่ด้วยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ฟังเทศลุงปู่กัน